ธรรมจากพระผู้รู้คำถามตอบปัญหาธรรมะทุกคำถามตอบโดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมช์ปาโมโชในปัจจุบันคำถามแรกตอบไว้เมื่อ13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ถามจิตที่เป็นสมถะนั้นจะต้องไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า อารมณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ใดๆก็สักแต่ว่ารู้หรือเปล่าตอบอันนี้ไม่ใช่สมถะครับสมถะนั้นจิตเพียงจะสงบตั้งมั่นเกาะเกี่ยวเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องเท่านั้นคำถามที่สองตอบไว้เมื่อ16กรกฎาคมพุทธศักราช2542ถาม กำลังเริ่มฝึกดูจิตเมื่อจิตถูกกระทบจนเกิดภาวะต่างๆก็เฝ้าสังเกตและวินิจฉัยคอยภาคบอกกับจิตตัวเองว่าอันเนี้ยเป็นราคะอันนี้เป็นโทสะอันนี้เป็นฟุงซ่านอยากทราบว่าการตามรู้ตามดูจิตแล้วภาคไปด้วยแบบนี้จะถูกต้องหรือเปล่าตอบที่จริงในเบื้องต้นที่หัดนั้นจิตมันอดภาคไม่ได้หรอกครับ แม้ไม่จงใจจะคิดจะภาคมันก็อดวินิจฉัยไม่ได้ว่าสิ่งนี้ชื่อนี้เมื่อรู้สิ่งนี้แล้วควรทําอย่างนี้อย่างนี้เพียงแต่เราควรทราบไว้ว่าความรู้ที่เกิดจากการภาคและการสรุปประเด็นไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่เราปฏิบัติเพราะสิ่งที่ได้คือองค์ความรู้ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นสัญญาคอยรบกวนการปฏิบัติในขั้นละเอียด เมื่อปฏิบัติชั่มิชำนานไปเราจะเห็นเพียงสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับจิตไม่สนใจภาคเพราะการภาคนั้นก็เป็นการทำงานของจิตเป็นภาระเป็นทุกข์ยืดยาวออกไปอีกถึงจุดที่รู้สักว่ารู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏนั้นบางคราวเราจะเกิดความลังเลใจขึ้นมาเพราะเกรงว่าจะสรุปความรู้ไม่ได้หรือกลัวว่าจิตจะไม่มีองค์ความรู้นั่นเอง อันนี้เป็นธรรมชาติของปัญญาชนทั้งหลายผมเองบางทีก็เป็นอย่างนั้นที่จริงเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาความรู้แต่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของจิตโดยจิตมีปัญญาไม่ไปยึดอารมณ์ที่กำลังปรากฏไม่ใช่โดยเรามีความรู้คำถามที่สมตอบไว้เมื่อ19กรกฎาคมพุทธศักราช2542ถาม นั่งคูบันลังคืออะไรครับใช้การนั่งขัดสมาธิเพชรหรือเปล่าและการทำสมาธิโดยการนั่งวิธีนี้ดีกว่าวิธีอื่นหรือไม่ครับตอบเรื่องการขัดสมาธิเพชรนั้นหลวงปู่สิมพุทธาจารโรแห่งถ้ำผาปล่องท่านชอบมากครับเวลาไปนั่งฟังธรรมของท่านก็ดีไปนั่งปฏิบตัติต่อหน้าท่านก็ดีท่านชอบแนะนาให้ขัดสมาธิเพชรเพราะมีข้อดีหลายอย่างครับ คือทำให้ไม่นั่งหลับง่ายๆและจิตใจก็จะเข้มแข็งมากสมชื่อสมาธิเพชร ท, ทีเดียวเนื่องจากเป็นท่านั่งที่ทรมานมากกับคนที่ไม่คุ้นเคยคราวหนึ่งพาเพื่อนที่เรียนในสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงด้วยกันขึ้นไปกราบท่านบนท่ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ละท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการต่างๆทั้ ง, งนั้นพอไปถึงหลวงปู่ก็แสดงธรรมโดยให้นั่งขัดสมาธิเพชร ท่านเทศไปสักพักก็มีคนแอบเปลี่ยนท่านั่งเป็นสมาธิราบบางาพับเพียบบางมีผู้เขียนกับผู้ใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกท่านหนึ่งที่ทนนั่งได้จนท่านเทศจบพอท่านเทศจบท่านก็ยิ้มบอกว่ายังไงนั่งกันไม่ไหวเลยเลือเพื่อนที่ทนนั่งได้ตลอดก็กราบเรียนท่านว่าโอ๊ยแย่ครับหลวงปู่ปวดขาเหลือเกิน หลวงปู่มองหน้าด้วยความเมตตาอย่างยิ่งแล้วถามว่าขามันบอกว่ามันปวดหรือโยมเพื่อนก็ตอบว่าครับขามันปวดมากเลยครับสรุปแล้วเพื่อนไม่เข้าใจที่ท่านสอนคือท่านสอนให้พิจารณาต่อไปว่าขาเป็นเพียงธาตุที่ไม่รู้จักเจ็บปวดความเจ็บปวดเป็นเวทนาที่สร้อยู่ในกายเท่านั้นแต่ทั้งขาและเวทนาก็ไม่เคยบ่นว่าปวด คนที่เร่าร้อนโอดโอยแทนขาคือจิตของเราเองต่างหากสำหรับท่านั่งสมาธินั้นนอกจากคำว่าคูบันหลังแล้วยังมีภาษาเก่าที่ตายไปอีกแล้วอีกคำหนึ่งคือคำว่านั่งผนังเชิงเชิงคือเท้าผนังคือทับซ้อนต่อมาคนรุ่นหลังออกเสียงเพี้ยนไปนเป็นคำว่าผนันเชิง เวลาเนี้ยเหลือที่ใช้คำนี้อยู่แห่งเดียวคือวัดพนันเชิงกับหลวงพ่อพนันเชิงเคยอ่านพบว่าที่เรียกท่านว่าหลวงพ่อพนังเชิงก็เพราะท่านเป็นพระนั่งสมาธิขนาดใหญ่องค์แรกๆของอโยธยาในวงเล็บก่อนอยุธยาในขณะที่พระขนาดใหญ่ก่อนหน้านั้นนิยมสร้างเป็นพระนั่งห้อยพระบาท บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สิบสองทุกคำตอบตอบโดยสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชในปัจจุบันในนตตัวอ่านโดยอนุสอนรีโสภา ดินฟ้าเปลี่ยนแปลงอรับปลาใจว่ามีรู้สิ้น